มีงานบรรจุพระธาตุนครูสุวั ต, 5, ตห้าหกเจ็ดวงตาเป็นบรรจุมาที่ 6. หกหลวงครูสุวัตกเผาออกมานะบาส่วนก็เป็นพระธาตุลวเป็นที่่องคือครูบาอาจารย์ระดับนี้มีไม่มากหรอกมีน้อยกว่าที่เราเชื่อนะเราเชื่อเยอะกว่านะั้นคือท่านก่อน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 แต่มันดิ้นไปดิ้นมาหลังจากนั้นไม่เจอท่านนานหลายปีนะเป็นท่านลดกว่มเดินไม่ได้ไปอยู่อเมริกากลับมาไปเจอท่านอีกทีปีสนะี่สามท่านมาอยู่ที่สวนทิพย์ไปกราบท่านโอ้โหไม่เหมือนเดิมเลยเปรี่ยนไปหมดล้วเปลี่ยนแปลงใจก็นึกหนะ้าทำไงจะดีอย่างท่านบ้างนะ ทำไงจะได้อย่างท่านบ้างดูท่านหมดจดงดง า, งามดูเราเทียบกับคนทั่วๆไปแต่ก่อนวก็เราว่าเราก็าหมดจดนะไปเจอกับท่านนะคล้าแมวไป ค, ครุขี่เท่ามาห ม, ม่อมแมมการภาวนาเปลี่ยนแปลงคนได้นะเปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐานของพวกเราสกรรุกสกปรก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 รู้ลงในกายรู้ลงในใจเห็นกายเห็นใจเป็นทุกข์ล้วนๆแล้วยิ่งมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นเป็นเรื่องประหลาดนะรู้ทุกข์แล้วมีความสุขเนยรู้ทุกข์เราคนทุกข์มีแต่ความสุขล้วนๆใครๆก็ใใอยากลาทุกข์ทั้งนั้นเลยพระพุทธเจ้ากั le, บสอนให้รู้ทุกข์ทุกอยู่ที่กายรู้ลงในกายทุกอยู่ที่จิตใจรู้ลงใน ใ, นใจรู้ไปเรื่อยจนวันหนึ่งไม่ยึดถือในกายในใจไม่ยึดถืออะไรเลยรวงทั้งไม่ยึดถือความไม่ยึดถือด้วยนะ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 นะขอ ง, ง่ายๆเท่านี้เองนะไม่เข้าใจปรับผ่านได้แล้วมันจะขำตัวเองบางทีรู้สึกสมเพชตัวเองนะโอ้ยทำไมมันโง่หลายนะโง่หลายขอ ง, ง่ายเท่านี้ไม่เห็นเห็นแล้วรู้เห็นแล้วนะยังไม่เข้าใจง่ายกว่าที่นึกนะการภาวนาถ้าเมื่อไรภาวนาแล้วรู้สึกยากสังวรไว้เลยว่าผิดแน่นอนการภาวนาถ้าถูกต้องจะต้องง่าย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 จิตก็ไม่ดิน้นจิตไม่ดิน้นจิตก็ไม่ทุกข์แต่ตรบาบใดที่ยังไม่รู้แจ้งอริยสัจไม่รู้ทุกข์ไม่รู้แจ้งในกายในใจนี้ว่าเป็นทุกข์ล้วนๆมันยังรักกายรักใจมันคิดว่ากายเป็นเราใจเป็นเราคิดอย่างนี้มันอยากให้เรามีความสุขอยากให้เรามีความสงบอยากให้เราดีอยากให้เราบรรลุมรรคผลนิพพานมัีความอยากใจก็ดิน้นใจก็ดิ้นแล้วใจก็ทุกข์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 ไม่ได้มีเพื่อรักษาจิตเพราะจิตนั้นไม่ต้องรักษาเพราะคืนโรคคืนธรรมชาติไปแล้วนธรรมะนะมันเป็นสิ่งที่เรานึกไม่ถึงนึกไม่ถึงเราภาวนาเราก็หวังว่าวันหนึ่งจิตเราจะดีจะสุขจะสงบสาวอดวาดภาพพระรหัตไว้อย่างนั้นจริงไม่ได้เป็นอย่างที่นึกหรอกคนที่วางขันไปแล้วกับคนที่มีขันอยู่ความรู้สึกนึกคิดไม่เหมือนกัน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 ความระลึกได้ถึงปัจจุบันอารมณ์ที่ปรากฏนี่เรียกว่าสัมมาสตินิสติเกิดจากอะไรสติไม่ได้เกิดจากการบังคับให้เกิดไม่มีใครบังคับสติให้เกิดได้นะบางคนมาถามหลวงพ่อทำยังไงดิฉันจะมีสติต่อเนื่องหลวงพ่อก็ตอบซื่อๆทาไม่ได้หรอกอย่าว่าแต่สติต่อเนื่องเลยสติหนึ่งขนาดจิตยังทำไม่ได้เลย